นับตั้งแต่พระพุทธศาสนาสูญสิ้นเพราะว่าถูกทำลายล้างแล้วก็ทดแทนด้วยเทวนิยมในอินเดียนะคะพระสูตรและพระธรรมคำสอนที่ยังคงเหลือก็ติดไปกับพระสงฆ์ที่หนีตายไปเจริญงอกงามขึ้นใหม่ยังเกาะลังกาเมื่อครั้งสุขโขทัยเป็นราชธานีและพระนางเลือดขาวก็ไปอัญเชิญพระสารีริกธาตมายังเมืองไทยนั้น พระพุทธศาสนาที่เจริญขึ้นบนแผ่นดินสยามจึงเป็นลัทธิลังกาวงมหาเจดีสําคัญอย่างพระบรมธาตุที่นครศรีธรรมราชและพระปฐมเจดีที่จังหวัดนครปฐมจึงมีพระเถระประจำสีทิศไว้เป็นผู้พิทักษ์องค์พระบรมธาตุตามอย่างลังกาซึ่งเรียกว่าพระครูกาเดิมพระครูกาแก้วพระครูการามและพระครูกาชาตินะคะครั้งนั้นนะคะเมื่อพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห ทรงบุรณะปฏิสังขรนองค์พระประถมเจดีก็ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเถระผู้ทรงอริยะคุณทั้งสี่รูปเป็นผู้พิทักษ์ตามโบราณราชประเพณีค่ะทิศตะวันออกคือหลวงพ่อคตวัดใหม่สุประดิษฐ์ ทิศตะวันตกคือหลวงปูน่นาควัดห้วยจรเกทิศใต้คือหลวงพ่ออยู่วัดโคกแขกและพระครูอุตตระการบดีประจําทิศเหนือก็คือหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกนั่นเองค่ะซึ่งหลวงพ่อทาท่านก็เป็นเถราจารย์ผู้พิทักษ์พระบรมาธาตุเป็นปรถมซึ่งองค์ต่อมาก็คือหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนั่นเองนะคะ กิตติคุณและก็ปฏิปทาปฏิหารใดของคณาจารย์ท่านนี้หรือพระมหากษัตริย์ชั้นมหาราชจึงปลดเกล้าปลดกระหม่อมกิจสำคัญถวายให้ทั้งยังรับสั่งนิมนต์ให้ร่วมพิธีหลวงอยู่มิขาดหลวงพระทาเป็นพระคณาจารย์เรื่องชื่อไปทั่วทิศในช่วงปีพุทธศักราช2400ถึง2460 โดยหลวงพ่อทาเองนะคะท่านก็มีพื้นเพรกรากเป็นชาวบ้านอยู่ที่หมู่บ้านหนองเสืออําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีมีชาติการประมาณปีพุทธศักราช 2,366 ก็คือเกือบ200ปีมาแล้วนะคะพระคณาจารย์องค์นี้เป็นพี่คนโตของน้องชายอีก3คนหนึ่งในนั้นก็คือหลวงพ่อดำแห่งวัดหนองเสือตำบลหนองดินแดงจังหวัดนคปรปฐมนั่นเองค่ะ บรรพบุรุษของหลวงพ่อทานั้นเป็นลาวเวียงอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานตามบริเวณรุ่มแม่น้ำกลองตั้งแต่สมัยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สองพร้อมๆ ก, กันกับชาวจีนและก็ชาวรามันที่ยังคงสืบตระกูลกันมาเป็นไทยเนื้อเดียวกันจนถึงทุกวันนี้ หากว่าย้อนกลับไปนะคะเมื่อยังไม่ครบหกขวบท่านก็มีโอกาสเข้าเรียนอักษรไทยที่วัดโพธารามอีก7ปีก็คือวัยย่าง13ปีนะคะก็ได้บรรพชารับศีลสิบเป็นสนัมเณนต่อมาอีก7ปีจึงได้วาระเลิอกอุปสมบท ที่วัดบ้านของซึ่งโด่งดังดุจตักศีลาทางปฏิบัติกรรมฐานในสมัยนั้นด้วยต้นทุนดุจทิพย์ทางคันทัุระนี้นะคะเมื่อศึกษาพระธรรมมาวินัยจนแตกฉานแล้วท่านก็เดินล่วงเข้าสู่แดนกรรมฐานและการล่วงรู้คาถาเรียนเวทวิทยาคมอยู่หลายปีเป็นสเสบียงเพื่อใช้ในเส้นทางทุดงซึ่งยิ่งนานก็ยิ่งแก่กล้ายิ่งเดินทุดงกล ย, ยิ่งเพิ่มพูนวิชาตบะบารมีก็ยิ่งกล้าแข็งขึ้นตั้งแต่ วายชกันการทุดงควัดนั้นนะคะท่านจะเดินคู่กันกันกบหลวงพ่อดําแห่งวัดหนองเสือมีได้แยกจากกันทั่วทุกถิ่นเถื่อนถ้าแล้วก็จนกระทั่งกลับมายังแผ่นดินเกิดลุ่มแม่น้ามแม่กลองหลวงพ่อดําก็ได้แยกทางไปแล้วก็ได้เลือกวัดร้างที่หนองเสือเพื่อปักกรดลงบูรณะให้ชาวบ้านได้มีที่พึ่งพิงค่ะ ในปีพุทธศักราช2417นะคะหลวงพ่อทามีอายุ51ปีได้สัมผัสพลังบางอย่างใกล้กับวัดร้างในมาบแค่นะคะซึ่งมีทั้งป่าไม้แล้วก็เถาวันไม่มีสิ่งที่ควรอาศัยใดๆแต่ว่ายานร์สัมผัสรู้ว่าสถานที่นี้เคยมีอดีตรุ่งเรืองมาก่อนตั้งแต่ยุคธารวดีค่ะ หลวงพ่อทาเห็นในญาณ น, นะคะว่ามีผู้เฝ้าดูแลหรือว่ า, าภู ม, มิเทวาชี้ให้ไปนำสิ่งของสิ่งหนึ่งขึ้นมาจากพื้นดินเพื่อใช้สร้างและบำรุงพุทธศาสตร์พุทธศาสนาตรงสถานที่นี้ขึ้นมาใหม่นะคะ เมื่อหลวงพ่อทาออกจากยานนะคะก็ได้เดินสำรวจตามภาพนิมิตโดยรอบพบระครังใบใหญ่ใบหนึ่งเมื่อขุดขึ้นมาชำระล้างก็ได้ลายแทงเป็นอักษรขอมซึ่งสำหรับพระผู้คงแก่เรียนและยานรีดกล้าแข็งแล้วก็ไม่ได้เป็นการยากในการแปลและตามรอยเจตนาจนได้สมบัติเจตนาดังกล่าวคือความประสงค์ให้คนดีบารมีสูงมาพบแล้วก็นาไปสร้างวัดและนี่คือที่มาของการบูรณะวัดร้างขึ้นใหม่ในชื่อวัดปทุมคงคา วัดนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลมาบแคอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐมแต่ที่มีคนเรียกว่าวัดพเนียงแตกก็เพราะว่าวันหนึ่งในงานเทศบาลประจำปีของวัดหลวงพ่อทา น, นะคะท่านได้ใช้มือเปล่าเ ป, ปล่าปิดปากพลุไฟเนียงไว้จนมันระเบิดออกด้านข้างซึ่งไม่ได้เกิดอันตรายแก่ท่านเลยแม้แต่น้อย ท่านก็ไม่ได้อวดอุตริมนุษยธรรมแต่หากว่าต้องการกำราบพวกนักเลงให้เกรงขามและจะได้เชื่อฟังไม่ต่อยตียิงฟันกันในวัดอีกเหตุครั้งนั้นค่ะชาวบ้านก็เรียกกันว่าหลวงพ่อผนียงแตกชื่อวัดเลยพลอยเป็นวัดผนียงแตกมาตั้งแต่นั้นเลยนะคะด้วยวัดปฏิบัติอันเชี่ยวชาญในสมถะกรรมฐานและก็ความเข้มขลังในพลังจิตนอกจากจาบวช พระใหม่อย่างมากมายทุกๆปีแล้วนะคะก็ยังมีพระเกจิหลายท่านมาขอเป็นศิษย์เรียนวิชาเช่นหลวงพ่อเต๋แห่งวัดสามงามหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องหลวงพ่อวงวัดทุ่งผักกูดซึ่งประวัติบางเล่มนะคะบอกว่าหลวงพ่อทาเกิดที่นี่นะคะเฉพาะหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องนั้นถึงกับจําวัดอยู่รับใช้โดยเลื่อมใสที่วัดพันยงแตกนะคะอย่างมุ่งมั่นในการเรียนวิชาอาคมเลยทีเดียว ในหลวงราชกาลที่5นั้นยิ่งทรงเลื่อมใสและก็รับสั่งนิมนต์หลวงพ่อทาอยู่บ่อยครั้งในการพิธีพุทธาพิเศษพระกริ่งสวนเต่าในวัดพระแก้วซึ่งขาดหลวงพ่อทาแห่งวัดพเนียงแตกไม่ได้เลยเชน่นกันกับพิธีพุทธาพิเศษพระกริ่งปะวะเรศค่ะซึ่งสมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์นี้ทรงคุ้นเคยกับหลวงพ่อมาตั้งแต่ครั้งยังทรงมิได้ผนวดและตั้งแต่ยังไม่ได้รับบัญชาจากรัชกาลที่สให้ออกแบบองค์พระปฐมเจดีย์ด้วยซ้ำ หลังการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระปวเรศนะคะการสร้างพระเครื่องของหลวงพ่อทาค่ะจึงเป็นแบบเทลลอแบบโบราณเหมือนของวัดบวรนิเวศซึ่งรุ่นแรกเป็นเหรียญหลวงพ่อที่วัดพะเนียงแตกในปีพุทธศักราช2440เนื้อขันลงหินแก่ทองแดงคุณวิเศษเป็นทางเลิศคงกระพันเสาะหาได้ยากมากเลยนะคะ สำหรับปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อเสือนะคะซึ่งตอนของบทนี้เนี่ยยังมิใช่พระคณาจารย์องค์อื่นใดาหากแต่ว่ายานริษและก็ความเด็ดขาดของหลวงพ่อทาซึ่งมีสัญลักษณ์คือถือหางกระเบนตากแห้งอยู่เสมอเมื่อมีพวกนักเลงหรือว่าขี้เมามาก่อความวุ่นวายในวัดชี้ไปที่ใครเป็นเจ็บจำไปนานจนลูกศิษย์และก็ชาวบ้านเนี่ยพากันให้ฉายาท่านนะคะว่าหลวงพ่อเสือนั่นเองค่ะ มีเรื่องเล่านะคะทางวาจาสิทธิ์เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้คนในครั้งที่หลวงพ่อได้รับสมณศักดิ์ที่พระครูอุตรการบดีผู้พิทักษ์พระปฐมเจดีทิศเหนือเป็นพระอุปชาค่ะสามารถบวชคารวาตเป็นสงฆ์ได้ทั่วท้องถิ่นนั้นครั้งหนึ่งนะคะท่านก็ได้รับนิมนต์ไปงานบวชไกลวัดการเดินทางครั้งนั้นหลวงพ่อทาจำเป็นต้องใช้ม้าเป็นพาหนะ เมื่อถึงกลางทางก็พบเข้ากับผู้ชายห้าคนซึ่งเห็นพระเดินทางองค์เดียวก็ตรงมาเพื่อที่จะดึงสายบังเหียนม้าแล้วก็บังคับขู่เข็นเพื่อจะปล้นชิงม้าของหลวงพ่อยอดพระคณาจาย์วัดพเนียงแตกมองคนทั้งห้าแล้วบอกว่ารออยู่ตรงนี้ จากนั้นท่านก็เดินทางต่อไปจนเมื่อบวชนาคเสร็จสิ้นหลวงพ่อทาจำต้องกลับมาทางเก่าค่ะซึ่งมีโจรปล้นม้ายืนนิ่งเป็นรูปปั้นอยู่รบทีมจึงได้รับการเทศนาอบรมอย่างเมตตาให้เลิกทำอาชีพเป็นโจร เพราะว่าพวกโจรพวกนี้นะคะที่โดนหลวงพ่อบอกว่าให้รอนี่คือมีปฏิกิริยายืนนิ่งเลยนะคะตั้งแต่วันที่หลวงพ่อไปอรับกิจนิมนต์บวชนะคะจนกลับมาพวกโจรก็ยังคงยืนนิ่งอยู่ที่เดิมแล้วหลวงพ่อก็ได้เทศนะคะให้ฟังเพื่อที่จะให้เลิกเป็นอาชีพโจรค่ะเมื่อพวกมันรับปากแล้วก็เป็นไปตามนั้นจริงๆนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของทิพย์พญาโสตช่วยช้างป่า เป็นเรื่องอัศจรรย์จากยานวิเศษของหลวงพ่อทายังมีอยู่ในบันทึกเรื่องเล่าของหลวงพ่อเต๋แห่งวัดสามงามพระคณาจารย์แห่งดอนตูมสิทธิ์ใกล้ชิดของท่านนะคะใจความว่า พระอุปชาธาท่านเป็นเทระสําคัญมีตําแหน่งอุตราการบดีท่านมีวิชาอันอัศจรรย์มากอาคมนี่เหลือหลายหูท่านเป็นหูทิพย์คือสัมผัสได้รวดเร็วแม้จะอยู่ไกลแค่ไหนท่านก็ได้ยินเสียงสัตว์ป่านกหนูปูปีกแม้จะอยู่ไกลมันร้องสุดที่มนุษย์ธรรมดาอย่างเราจะได้ยินเสียงนั้นแต่หลวงพ่อทาท่านได้ยินอย่างเรื่องของช้างป่านอนเจ็บอยู่นั้นท่านเคยเอาอยาไปรักษามันในป่าลึกท่านได้ยินเสียงร้องกรวนครางพอไปถึง ก็เห็นช้างป่าบาดเจ็บนอนระบมท่านเก่งในทางยาสมุนไพรด้วยท่านก็รักษาจนหายเป็นปกติตอนที่ช้างมันหายเจ็บป่วยมันร้องขอบพระคุณท่านท่านอยู่ในวัดนั่งอยู่กลางหอฉันท่านก็พูดขึ้นว่าแหนะช้างมันมาขอบใจพวกเรามันหายเจ็บป่วยแล้วมันจะไปเข้าฝูงของพวกมันในป่าแล้ว ลูกศิษย์ของท่านก็พากันสงสัยนะคะแต่ว่าจิตใจที่อยากจะพิสูจน์วาราจิตจึงชักชวนกันเข้าป่าค่ะเพื่อที่จะไปหาร่องรอยของช้าง ก็พบรอยช้างล้มนอนแล้วก็รอยเท้าเดินเข้าป่าลึกไปใหม่ๆก็พากันสาธุการในเจโตปริยานของหลวงพ่อทากันอย่างอื้อๆองเลยนะคะอันวิชาทิพยายสดหรือว่าหูทิพนี้ค่ะเกินไปจากสมถกรรมฐานสามัญเป็นหนึ่งในแปดอริยธรรมที่เกิดอยู่ในพุทธการและพระอรหันต์เท่านั้นที่จะสามารถบรรลุได้สามารถใช้ได้โดยชอบทั้งนี้สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรทสงเทียบเรื่องนี้ไว้ ว่ามีการสังเกตอาการแห่งฐานที่กับทั้งคนแล้วก็พัสดุแล้วอาจสนิฐานได้ว่าเป็นอย่างไรดูดว่าได้รับบอกเทียบฟังเสียงไกลได้ยินข่าวในถิ่นไกลหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกคือพระคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในยุคต้นของนคปรปฐมแผ่นดินของยุคธารวดี สมถกรรมาฐานและพลังจิตกล้าแข็งทั้งยังเด็ดขาดในพระธรรมวิไนยไม่ผิดการ ก, กับหลวงพ่อเงินวัดบางคลานพระคณาจารย์ร่วมยุคสมัยพระองค์นั้นเลยกล่าวถึงหลวงพ่อเงินวัดบางคลานค่ะคุณผู้ฟังอดเล่าขานเรื่องแคล้วคลาดจากปฏิหารของพระเครื่องหลวงพ่อทาบนคอหนุ่มไร่อ้อยชาวดอนตุม่มนครปฐมไม่ได้นะคะคือเรื่องของเรื่องค่ะไอหนุ่มคนนี้ขับรถขนอ้อยไปกําแพงแสนช่วงที่โดนดีนะคะก็มีพระเหรียญหล่อ โบราณรุ่นแรกขึ้นคออยู่องค์เดียวขณะที่ขับรถคู่ชีพนี้กลับจากดอนตูมเวลานั้นใกล้ค่ำค่ะมองข้างทางไม่ชัดเห็นแต่กิ่งไม้ไหวๆอยู่แล้วก็แสงไฟสว่างวาบแค่ครั้งเดียวมันคือแสงจากแรงขับดินปืนแล้วก็กระสุนนัดนั้นตรงหัวแน่ๆเพราะว่าทะลุกระจกเข้ามาแต่ด้วยเดชะบารมีของหลวงพ่อทาค่ะทั้งหัวกระสุนแล้วก็เลือดเนื้อแม้รอยช้าก็ไม่ปรากฏ หากแม้นใครมีพระเครื่องของท่านหรือรูปถ่ายของท่านไว้บูชาปลดจดจำคาถาบูชาหลังจากตั้งนโมสามจบไว้ดังนี้นะคะโสโสกาวิระตะจิตโตโยโสประมาโนโสสะเทวเกโสกังปัตเตธรรมโมโสพระระวะนังนะมิหังมะอะอุมะ